ต่อไปนี้เป็นธรรมบัญญายเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตและการงานที่ดีโดยอาจารย์วสินอินทศระซึ่งอาจารย์วสินได้บรรยายครั้งแรกที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนัก ง, งานใหญ่ถนนสีลมเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ดังต่อไปนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ผมรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาคุยกับท่านทั้งหลายในที่นี้ซึ่งเป็นที่ที่ผมได้ฟังทางวิทยุในวันหนึ่งเร็วๆนี้เองว่าเป็นสถานที่ที่มีระบบการป้องกันอุบัติภัยที่ดีที่สุดหมายโดยเฉพาะถึงอักขีภยัยแต่นั่นเป็นภยัยภายนอกส่วนภยัยภายในซึ่งเกิดจากเพื่อนร่วม ง, งานและจากจิตใจของเราเองนั้น จะมีระบบการป้องกันแก้ไขอย่างไรในหมู่คนที่อยู่กันจำนวนมากก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาอยู่มิใช่น้อยเพราะไฟภายในคือโลภะโทสะและโมหะนั้นมันเผาอยู่ข้างในใจของเราเองทำให้ใจเราเร่าร้อนอยู่เสมอการยุ่งเรื่องงานไม่ทำให้สุขภาพจิตของเราเสียแต่การยุ่งเรื่องเพื่อนร่วม ง, งาน และอารมณ์อันยุ่งเหยิงยั่วเย้ในใจของเรานั่นแหละทําให้สุขภาพจิตเสียมากเมื่อสุขภาพจิตเสียแล้วการงานก็จะพลอยเสียหรือร่อยคุณภาพไปด้วยในการมาพูดคราวนี้ผมรู้สึกเป็นห่วงผู้ฟังอยู่เหมือนกันว่าท่านจะสงหวังหรือผิดหวังในการฟังเกรงไปว่าท่านอาจไม่ได้สิ่งที่ตนคาดหมายว่าจะได้แต่ชีวิตของคนเรานั้น ถ้าไม่ตั้งความหวังไว้มากเกินไปความผิดหวังก็จะมีไม่มากนักถ้าตั้งความหวังไว้สูงมากเมื่อผิดหวังก็จะเจ็บมากเหมือนตกจากที่สูงโดยเฉพาะความหวังที่เราคาดว่าจะได้จากคนอื่นอาจทำให้เราผิดหวังได้เสมอโลกตกอยู่ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทั้งปวงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมนุษย์เป็นสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ จึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันแม้แต่เราเองยังไม่อาจให้เป็นไปตามที่หวังไว้เสมอไปฉนันเล่าผู้อื่นสิ่งอื่นเหตุการณ์อื่นจะเป็นไปอย่างที่เราหวังไว้สิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งบาลีว่ายะถาปัจยังประวัตันติ ข้อนี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งตามหลักนี้พอจะกล่าวได้ว่าเหตุดีย่อมก่อให้เกิดผลดีเหตุร้ายย่อมก่อให้เกิดผลร้ายเหตุดีปนชั่วย่อมก่อให้เกิดผลทั้งดีทั้งชั่วมนุษย์เราส่วนมากยังไหววนอยู่ในวัตตจักรแห่งดีบ้างชั่วบ้างดีปนชั่วบ้างอยู่อย่างนี้จึงมิอาจพ้นทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิง สำหรับความหวังที่เรามีต่อผู้อื่นนั้นขอให้นึกไว้เสมอว่าจะหาใครเหมาะใจที่ไหนเล่าตัวเราเองยังไม่เหมาะใจเราหนาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจโดยพระศาะสนาสุภพลจำจัตสันโลแต่มนุษย์เราก็อดหวังไม่ค่อยได้ความหวังสัมพันธ์อยู่กับชีวิต เหมือนดอกไม้ติดอยู่กับต้นอย่างไรก็ตามความหวังนั่นเองทำให้เราล้มเหลวบ้างรุ่งโรดบ้างเราไม่เคยล้มเหลวในสิ่งที่เราไม่หวังไม่ปรารถนาไม่ต้องการทำนองเดียวกับเราไม่ค่อยน้อยใจกับคนที่เราไม่รักถ้าเกิดความล้มเหลวขึ้นในเรื่องใดให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติคนจะรุ่งเรืองได้ก็เพราะอดทนต่อความล้มเหลวได้และตั้งต้นใหม่ ขณะเดียวกันพยายามรักษาความสงบใจไว้ให้ได้พระสุขภาพจิตที่ดีสำคัญที่สุดต่อความสุขในชีวิตประจำวันของเราถ้ามีเทพประธานพรให้ท่านสามอย่างคือหนึ่งร่ำรวยสองร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยสความสุขใจท่านต้องเลือกเอาเพียงอย่างเดียวท่านจะเลือกอะไรหลายคนอาจนึกตอบว่าขอให้ได้ทุกอย่าง ถ้าได้ทุกอย่างก็วิเศษแน่แต่มีเงื่อนไขอันแน่นอนว่าให้เลือกเอาอย่างเดียวคนส่วนใหญ่จะเลือกสิ่งที่ตัวขาดเราอาจทํานายได้ว่าเขาขาดอะไรจากสิ่งที่เขาเลือกหรือมิฉะนั้นเขาก็เห็นความสําคัญของสิ่งนั้นคือเขาไม่ได้ขาดเขาจึงเลือกแต่สุขภาพกายกับสุขภาพจิตนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลของโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบว่า76เปอร์เซ็น์ของคนไข้ทั้งสิน้นที่มารับการรักษาที่นั่นเป็นโรคที่มีสมุดฐานมาจากความเครียดทางอารมณ์หรือ emotional tension สถิติดังกล่าวเมื่อ30กว่าปีมาแล้วอาจล้าสมัยไปแล้วปัจจุบันน่าจะมีมากกว่านั้น เพื่อให้ความผิดหวังไม่เป็นพิษแก่จิตใจของเราขอให้สร้างนิสัยเป็นนักศึกษาขึ้นคือมองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกกบเราในแง่ของการศึกษาเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตจะสังเกตได้ว่าเหตุการณ์เดียวกันถ้ามองในแง่ร้ายอาจให้ความทุกข์แก่เราอย่างมากแต่ถ้ามองในแง่ดีและในแง่ของการศึกษาเรียนรู้แล้ว อาจให้ความสุขความพอใจแก่เราก็ได้สองคนยนตตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตรคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพลายเพราะฉะนั้นขอให้พยายามสร้างนิสัยนักศึกษาขึ้นในตนคือมองสิ่งต่างๆในแง่ของการศึกษาว่าสิ่งนี้ให้ความรู้และประสบการณ์อะไรแก่เราบ้าง ชีวิตจะต้องเดินทางผ่านประสบการณ์เป็นอันมากความรู้ความเข้าใจในชีวิตนั้นเป็นวิทยาการอันสูงเยี่ยมยิ่งกว่าวิทยาการใดๆเมื่อเข้าใจชีวิตดีแล้วจะเป็นผู้มีชีวิตอย่างมีทุกน้อยที่สุดหรือไม่มีทุกทางใจเลยความทุก์เป็นสิ่งที่บุคคลพยายามหลีกเลี่ยงส่วนความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา แต่ทำไมเล่ามนุษย์ส่วนมากจึงพบแต่สิ่งที่ตนพยายามหลีกเลี่ยงและรู้สึกว่าได้น้อยเหลือเกินซึ่งสิ่งที่ตนพยายามแสวงหาอาจเป็นเพราะเราต้องการมากเกินไปหรือไม่หรือว่าเราแสวงหาผิดวิธีเหมือนไปรีดเอาน้ำมันจากเม็ดทรายหรือรีดนมจากเขาโคแม้จะใช้ความเพียรพยายามสักเท่าไหร่ก็คงไม่ได้อยู่ดีอันที่จริง ความสุขเราไม่ต้องแสวงหามากก็ได้เพียงแต่หาวิธีลดความทุกข์ลงเท่านั้นความสุขก็จะเกิดขึ้นเองเหตุแห่งทุกข์อย่างสาคัญประการหนึ่งของคนในสังคมของเราก็คือการคอยเปรียบเทียบตนกับผู้อื่นทำให้เกิดปมด้อยบ้างปมเขื่องบ้างไม่เป็นตัวของตัวเองเพื่อความสงบสุขของชีวิตต้องพยายามลดปมให้ได้ ไม่มีทั้งปมด้อยและปมเขื่องเป็นตัวของตัวเองใจก็จะเป็นอิสระมีความสงบสุขเพื่อความสงบสุขแห่งชีวิตเราควรปฏิบัติตนอยู่ในหลักต่อไปนี้ 1. อ่อนน้อมถ่อมตนและนิยมยกย่องผู้อื่น 2. การรู้จักตัดตอน 3. กล้าต่อสู้ความทุกข์ยาก 4. รู้จักช่วยเหลือตัวเองและพึ่งตัวเองก่อน หลักข้อที่หนึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนและนิยมยกย่องผู้อื่นมนุษย์เราทุกคนไม่ชอบคนเย่อหยิ่งจองหองแต่ชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าอยากให้เขาเกลียดชังก็จงเย่อหยิ่งจองหองยกตนข่มผู้อื่นถ้าอยากให้เขารักก็จงอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนทุกประเภทวางตนเหมาะสมแก่คนทุกชั้นทุกเพศทุกวัย พยายามวางตนเสมอต้นเสมอปลายไม่สามวันดีสี่วันร้ายหรือประพฤติต่อผู้อื่นตามอารมณ์ตนคิดแต่จะให้ผู้อื่นเข้าใจตนโดยที่ตนไม่ต้องเข้าใจใครไม่มีใครเกลียดชังผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งเราอ่อนน้อมเขายิ่งยกย่องยิ่งเรากระด้างยกตนเขายิ่งอยากจะข่มลงควรฝึกตนให้เหมือนน้ำทำประโยชน์ทุกอย่างแล้วไหลลงต่า อ่อนโยนละมุนละไมแต่มีอนุภาพยิ่งนักคนยิ่งมีความดีมากก็ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งอวดดีคุณสมบัติที่จะตามมาของผู้อ่อนน้อมถ่อมตนก็คือการนิยมยกย่องผู้อื่นด้วยความจริงใจจึงเป็นที่สำราญใจของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างยิ่งเขาจะจำติดอยู่ในใจเป็นเวลานานแสนนานสิบปียี่สิบปีผ่านไปแล้ว แต่คำยกย่องนั้นยังสดใสยอยู่ในความทรงจำของผู้ฟังเรื่องประกอบดูเถิดดูเด็กน้อยที่นอนแบบเบาร่าเริงสดใสมีชีวิตชีวายั่วยวนชวนเชิญให้ใครอยากเข้าใกล้จุมพิษและเชยชมอย่างไม่รู้เบื่อเนื้อตัวอ่อนนุ่มเมื่อสัมผัสรัดรึงก่อความรื่นรมย์ใจเป็นนิมิตหมายว่า เขาจะเจริญเติบโตต่อไปอีกมากและยาวนานแต่ดูนั่นสิคนตายนอนแข็งทื่อไม่กระดุกระดิกไม่รับรู้ใดใดทั้งสิน้นทุกคนเห็นแล้วหวาดกลัวเข้าใกล้ด้วยความจำเป็นและอึดอัดอยากให้ห่างแม้คนที่เคยรักก็กลับนายในสัตว์และพืชก็เช่นเดียวกันลำต้นและกิ่งใบของไม้ที่มีชีวิต มองดูอ่อนช้อยนุ่มนวลสบายตาส่วนลำต้นและกิ่งของไม้ที่ตายแล้วดูแข็งกระด้างเปราะหักง่ายคนทั้งหลายอยากจะโค่นแล้วโยนทิ้งให้พ้นตาในหมู่มนุษย์ก็ทำนองนั้นคนมีคุณธรรมจะเป็นคนนุ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเครื่องบ่งบอกความมีชีวิตสดใสยอยู่ภายในเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าเขาจะเจริญเติบโตต่อไปภายหน้าอีกมาก เป็นผู้มีสัมผัสนุ่มคือใครครบเข้าสบายใจเหมือนผ้าเนื้อดีนุ่มเนียนนุ่งห่มสบายไม่หยาบกล้านและระคายตัวส่วนคนชั่วไร้คุณธรรมมักประพฤติหยาบคายกระด้างอวดดีก่อความรำคาญใจแก่ผู้เข้าใกล้เรียกได้ว่าเป็นผู้มีสัมผัสหยาบเหมือนผ้าเนื้อหยาบดูนั่นสิรวงข้าวรวงเต็มลำต้นอ่อนชอย ประหนึ่งว่านอบน้อมแก่ผู้ผ่านไปมาทุกคนใครใมองดูด้วยความรู้สึกนิยมชมชอบบางคนนั่งลงยื่นมือไปสัมผัสเพียงแผวเบ า, บาอุ้งมือรองรวงอย่างถนอมด้วยเกรงมาแดดจะร่วงหล่นดูเถิดอนุภาพแห่งความอ่อนน้อมของธรรมชาติดึงคนสูงให้น้อมตัวลงหรือนั่งลงด้วยความเต็มใจก็ในหมู่คนเล่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นดอกหรือ ส่วนข้าวรวงนั้นรีบหมดทั้งรวงไม่มีเนื้อรวงจึงแข็งกระด้างไม่มีใครสนใจมีแต่เขาจะถอนทิ้งมนุษย์ที่เป็นเหมือนข้าวรวงรีบก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยในสังคมนี้เขาทำตัวเขาเองมนุษย์กำหนดวิถีชีวิตของตนเองจะโทษใครได้เล่าจริงอยู่สังคมก็มีส่วนอยู่ไม่น้อยในการกำหนดทางดำเนินชีวิตของคน ดต่นั่นสําหรับคนธรรมดาต่างหากเล่าหาใช่ผู้มีปัญญาไม่ผู้มีปัญญาย่อมดําเนินชีวิตตามความเหมาะสมแก่ตนประดุดดวงดาวโครจรไปตามวิถีแห่งตนมีใช่ใบไม้ร่วงที่สุดแล้วแต่ลมจะพัดพาไปคนที่เป็นประดุดใบไม้ร่วงนี้มีอยู่มากในโลกส่วนคนที่เป็นประดุดดวงดาวนั้นมีอยู่น้อยแต่มักประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ และมีปัจเจกภาพอันเปที่เคารพยกย่องของโลกเลือกเอาเองเถิดจะเป็นด่งใบไม้ร่วงหรือดวงดาวความถ่อมตนจะคอยเตือนบุคคลให้รู้สึกว่าตนเองยังดีไม่พอยังมีความรู้ความสามารถไม่พอจึงไม่กล้ายอมรับความยกย่องสรรเสริญจากผู้ใด ย, ยังลำพองใจแต่จะน้อมรับคำตักเตือนติเตียนจากผู้อื่นด้วยใจคาระวะ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นความถ่อมตนนั้นตรงกับความเป็นจริงอยู่แล้วคือในโลกนี้มนุษย์ที่เป็นปุถุชนอยู่ใครเล่าเป็นผู้มีความดีอันสมบูรณ์ล้วนแต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ทั้งสิน้นแม้คนอื่นไม่เห็นตนนั่นแหละย่อมรู้ได้ตนเองความดีของปุถุชนจึงยังเป็นความดีสัมพัทธ์หรือ relative good อยู่ คือดีกับคนอื่นที่เข้าดีกับตัวใครร้ายกับตัวอาจร้ายตอบเป็นสองสาเท่าก็ได้คราวใดกิเลสครอบงามอย่างรุนแรงตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอาจทําความไม่ดีได้มากๆพระอาราหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วไม่ถูกกิเลส ช, ชักจูงแล้วจึงจะเรียกได้ว่าดีโดยสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ ปุถุชนจึงไม่ควรทะนงตนว่าเราดีแล้วหรือดีกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวงดูนั่นสิแม้แต่ขุนเขายังพังทลายได้ด้วยแรงธรรมชาติบ้างด้วยแรงมนุษย์บ้างจะกล่าวใหญ่ถึงมนุษย์น้อยๆอย่างเราเล่าซึ่งเปรียบไปก็เหมือนทุรีหนึ่งอันล่องลอยอยู่ในสุริยะจั ก, กรวาลอันยิ่งใหญ่หาขอบเขตไม่ได้นี้ ประโยชน์อะไรเล่ากับความทนงตนเมื่อใจได้รับความถ่อมตนไว้เป็นสมบัติแล้วดวงหน้าแววตาและกิริยาท่าทีของเขาผู้นั้นก็จะทอประกายแสงแห่งความถ่อมตนให้ผู้อื่นเห็นได้อย่างชัดเจนนิสัยอันดีงามซึ่งเสืบเนื่องจากการถ่อมตนนี้จะช่วยส่งเขาให้รุ่งโรจน์ในการงานที่เขาทำและเป็นที่รักที่ยาเกรงของผู้เข้าใกล้ แม้จะแพลว่าวด้วยสร้อยสังวานเพชรแต่เต็มไปด้วยความทรนงก็หาดูงามไม่ยิ่งจะประกาศความอพยศมากขึ้นส่วนผู้ประดับตนด้วยความอ่อนน้อมย่อมดูงามกว่าชื่อว่าได้สวมมงคลวิเศษอย่างหนึ่งซึ่งจะอำนวยแต่ความสุขความร่มเย็นให้แก่ชีวิตคำพูดเหล่านี้วรัญญาได้ยินครั้งแล้วครั้งเล่าจากคุณพ่อ ตั้งแต่เธอเป็นเด็กอายุสิบขวบจวบจนเธอเป็นสาวอายุยี่สิบคุณพ่อได้มอบสร้อยรวงข้าวให้สวมใส่เมื่ออายุสิบเจ็ดมีความหมายเป็นเครื่องเตือนใจให้อ่อนน้อมถ่อมตนประดุดรวงข้าวที่มเมล็ดเต็มคุณสมบัติข้อนี้มีอนุภาพเป็นมหาสเสน่ห์คล้องใจผู้เข้าใกล้ให้รักใคร่นิยมนับถือไม่จืดจางวรัญญา ปฏิบัติตามคำสอนของคุณพ่อด้วยความเต็มใจด้วยการเห็นคุณค่าปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในวัยเรียนวรัญญาจึงปรากฏประหนึ่งเพชรเม็ดงามที่สุกสกาวอยู่ในความรู้สึกอันลึกล้าของครูอาจารย์และเพื่อนฝูงแทบทุกคนเมื่อจบการศึกษาและออกทางานวารัญญารู้สึกว่าเธอก้าวเข้าสู่โลกใหม่อีกโลกหนึ่ง โลกของผู้ใหญ่ที่ดูยากเข้าใจยากมักปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงเอาน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกซึ่งมองในแง่หนึ่งก็ดีที่ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันอย่างเด็กแต่มองอีกแง่หนึ่งก็น่ากลัวเหมือนความเย็ยบของป่าไม่รู้ว่าอันตรายแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ที่ใดความอดกลั้นนั้นเป็นความดีถ้าเป็นความอดกลั้นที่จริงใจสุจริตเที่ยงตรง ในรอยยิ้มอันพริมเพลาและพริมพลายของผู้ใหญ่นั้นมีความหมายตรงกับรอยยิ้มนั้นหรือไม่มีอะไรแฝงเร้นอยู่เบื้องหลังบ้างวารัญญารู้สึกไม่แน่ใจเห็นบางคนนินทาเขาอยู่ยกๆยกแต่พอเขาเดินมาก็ยิ้มย่องผ่องใสทักทายอย่างสนิทสนมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นการดูถูกดูมิ่นเยียดหยามกันมีอยู่ทั่วไป ทั้งโดยสายตาคำพูดและกิริยาอาการเพราะซับบ้างยศบ้างฐานะของตระกูลบ้างการศึกษาและสถาบันบ้างยกตนข่มผู้อื่นส่อเสียดยุยงให้แตกกันเสียดสีก้าวร้าววางแผนทำลายอีกฝ่ายหนึ่งริษยาเห็นใครได้ดีทนไม่ได้โอ้อวดมารยาตั้งกลุ่มนินทาสมสร สอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่น ย, ยอะเย้ยถากถางทั้งด้วยสายตาและคำพูดเพือเจอไราสาระแรงนำใจสนใจเป็นพิเศษแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวช่างน่ากลัวจริงๆแต่ท่ามกลางผู้คนมีทอดลักษณะดังกล่าวนี้ก็ยังมีมนุษย์ที่มีใจสูงประกอบด้วยคุณลักษณะนานาประการเหมือนดอกบัวท่ามกลางหยาบเยื่อหรือท่ามกลางโคลนตม มีจิตอ่อนโยนเมตตาปราณีเอื้ออาทรต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นสุภาพสมรวมแม่หัวเราะก็ยังระวังคือหัวเราะอย่างสุภาพเกรงอกเกรงใจผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตนดูง่ายเปิดเผยพูดตรงกับใจจริงใจสุจริตยุติธรรมเสียสละอดทนเคารพนับถือเพื่อนมนุษย์ยกย่องให้เกียรติคนที่ควรยกย่อง เห็นใจและเข้าใจในความผิดพลาดบกพร่องของผู้อื่นและให้อภัยให้กำลังใจเพื่อดำเนินชีวิตในภายหน้าอย่างมั่นคงเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งเป็นที่ปรึกษาและพักพิงทางใจของผู้มีทุกข์มีอุดมคติอันสูงเยี่ยมฉลาดรอบรู้แต่ไม่โอ้อวดคงประพฤติถ่อมตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายทำไมมนุษย์จึงแตกต่างกันมากถึงขนาดนี้ ทั้งๆ ท, ที่อยู่ในสังคมเดียวกันทำงานอยู่ในกลมกองเดียวกันในบริษัทเดียวกันหรือแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันวรัญญานำปัญหานี้มาปรึกษาคุณพ่อคุณพ่อตอบว่าเหตุที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกันถึงขนาดนี้ก็เพราะคนพวกหนึ่งตั้งใจฝึกฝนตนเองขัดเกลาตนเองคุ้มครองตนและมีสติ ต้องการพัฒนาตนให้ขึ้นสู่ระดับสูงโดยคุณธรรมอาศัยหลักธรรมแห่งพระศาสนาเป็นทางดำเนินอบรมศีลอบรมกายอบรมจิตและอบรมปัญญาอยู่เนืองนิดจึงปรากฏเหมือนดอกบัวท่ามกลางโคลนตมรุ่งเรืองอยู่ด้วยศีลสมาธิและปัญญาส่วนคนอีกพวกหนึ่งไม่สนใจในเรื่องเหล่านี้เลยสนใจแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยว เรื่องสนุกสนานต่างๆแม้จะทำงานก็ทำเพียงเพื่อหาเงินมากินมาเที่ยวมาสนุกสนานหรือสแสวงหาชื่อเสียงกิยศโดยอาศัยหน้าที่การงานกิเลสจึงพอกพูนขึ้นในสันดานอยู่ทุกวันยิ่งนานวันยิ่งพอกพูนเหมือนสนิมกัดกินเหล็กยิ่งนานวันยิ่งลุกลามอันที่จริงต้นเดิมของมนุษย์เราเป็นอย่างเดียวกัน มาแตกต่างกันภายหลังเพราะการกระทาและสิ่งที่สั่งสมอันแตกต่างกันดังที่พระาศาสดาตรัสว่าคนจะดีหรือเลวเพราะชาติกลกูลก็หาไม่แต่จะดีหรือเลวก็เพราะการกระทาของตนมีบ่อยครั้งที่วรัญญารู้สึกสลดหดหูใจท้อแท้เมื่อนึกถึงความเป็นไปในสังคมมนุษย์เธอปลารอบกับตัวเองบ่อย ว่าทำไมหนอมนุษย์เราจึงฝึกได้ยากจริงๆเมื่อถามคุณพ่อถึงเรื่องนี้คุณพ่อตอบว่าเพราะมนุษย์เราไม่ค่อยสนใจในการฝึกฝนตนเองไม่พยายามเอาชนะตนเองสนใจแต่เรื่องฝึกผู้อื่นและเอาชนะผู้อื่นแม้แต่พวกนักกีฬาที่ร้องเพลงปลุกใจกันอยู่ทั่วประเทศว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแก่กองกิเลสทาคนให้เป็นคนนั้น ก็เล่นกีฬามุ่งมั่นแต่เรื่องเอาชนะผู้อื่นกลุ่มอื่นสีอื่นให้ได้มิได้เล่นกีฬาเพื่อกีฬาเพื่อสามัคคีทำรรแต่เพื่อเอาชนะชนะได้ก็เป็นศัตรูกันทะเลาะวิวาสกันแตกสามัคคีกันแทบทุกนัดทุกสนามตลอดไปถึงกีฬาระหว่างชาติเช่นกีฬาโอลิมปิกเป็นต้นมันจึงไม่อาจแก้กองกิเลสได้ มีแต่จะเพิ่มภูนกองเกลเลสทำคนไม่ให้เป็นคนแต่ทำพวกเขาให้เป็นยักษ์เป็นมารคอยประหัดประหารกันมีความสุขด้วยการทำร้ายผู้อื่นยิ่งการชกมวยซึ่งมาในนามกีฬาเหมือนกันแล้วยิ่งไปกันใหญ่มันเป็นการทำร้ายกันเป็นฆาตกรรมที่สังคมชีน้นำให้เห็นเป็นกีฬามวยปล้ำของฝรัง่งยิ่งเป็นการทารุณกรรมอันยิ่งใหญ่ที่โลก พากันตื่นเต้นยินดีคุณพ่อบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มารดได้ตั้งจิตไว้ผิดมีความดำริผิดในทางดำเนินเหมือนรถไฟที่เจ้าหน้าที่สับรางผิดรถลั่นไปในรางที่ผิดจึงชนนั่นชนนี่ยุ่งไปหมดถ้าล่านไปในรางที่ถูกก็ปลอดภยัยและถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ยาก มนุษย์เราส่วนมากชอบฟังเสียงแห่งมารมากกว่าเสียงแห่งธรรมไม่สนใจฟังธรรมของพระอริยะสนใจฟังเสียงแห่งปีศาจซึ่งหลอกให้หลงทางแล้วมาตีโพยตีภายในตอนหลังว่าทุกหนอทุกหนอถึงกระนั้นก็ยองหาทางไม่ออกยังหลงทางอยู่นั่นเองพอมีผู้ชี้ทางที่ถูกให้ก็เบือนหน้าหนีเป็นเวรกรรมของเขาแท้ๆช่วยไม่ได้จริงๆ สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนทางใครทางมันคุณพ่อย้ำคำนี้อย่างหนักแน่นแต่มีแววแห่งการโปรงตกต่อการดำเนินชีวิตของคนทั้งหลายว่าเปลี่ยนไปตามกำลังแห่งกรรมของตนจริงๆมนุษย์ได้สร้างทางแห่งชีวิตของตนขึ้นมาแล้วดำเนินไปตามทางนั้นซึ่งบาลีว่าอัตตาหิอัตโนคติ ชะตาชีวิตของคนเราเป็นสิ่งซับซ้อนยิ่งนักยากที่จะกําหนดได้นอกจากท่านผู้ใดบรรลุบุเพนิวาสานุสติยานคือการระลึกชาติได้ทิพจักสุยานหรือจุตูปปาตยานคือการรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายจึงจะกําหนดได้ง่ายขึ้นตรวจสอบได้เป็นรายรายไปอย่างไรก็ตาม ชะตาชีวิตย่อมเปลี่ยนไปตามการกระทำและความตั้งใจของเราโชคชะตาหาได้กำหนดอนาคตของมนุษย์ไม่แต่การกระทำของมนุษย์นั่นเองได้กำหนดชะตาชีวิตหรืออนาคตให้แก่เขารางวันและการลงโทษเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำกันขึ้นมาเองภัยจากธรรมชาตินั้นมีน้อยกว่าภัยจากมนุษย์ถ้าชะตาชีวิตจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ชะตาชีวิตนั้นก็คือสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตซึ่งเรานึกย้อนไปไม่ถึงแต่มันมีบทบาทกาหนดวิถีชีวิตของเราให้เป็นไปต่างๆในการสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีงามนั้นจะต้องมีความภาคเพียรและความอดทนเป็นอย่างมากปราศจากคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วย่อมไม่อาจทาให้สาเร็จได้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทําให้บุคคลเจริญเติบโตได้มากเหมือนพันไม้ซึ่งมีแก่นอยู่ภายในย่อมเจริญเติบโตได้มากกว่าไม้ที่มีแก่นหรือความแข็งอยู่ภายนอกเช่นไม้ไผ่เป็นต้นคนกระด้างเย่อยิ่งอวดดีทะนงตนไม่รู้จักอดร้อมถ่อมตนเจริญได้น้อยเจริญขึ้นชั่วคราวก็มักจะเสื่อมลงโดยเร็วแม้จะเจริญอยู่ได้บ้างด้วยความ ม, ามั่งมีหรือยศดสัก์ ที่บรรพบุรุษมีมาให้แต่ก็เป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายไม่อบอุ่นใจต้องคอยระแวงอันตรายอยู่เสมอส่วนผู้ที่มีใบหน้าอันทอประกายแสงแห่งความถ่อมตนย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายเหมือนดวงจันทร์วันเพ่นอันมีแสงสีนวลเยือกเย็นฉะนั้นความถ่อมตนเป็นการเปิดโอกาสแก่ตนเอง ให้ได้รับคำแนะนำสั่งสอนอันมีค่าจากท่านผู้รู้ท่านผู้รู้จะหลังความรู้ให้ยังไม่เบื่อนายจืดจางเพราะเขาทำตนเป็นเหมือนผ้าชนะที่ใหญ่และดีในการรองรับคำสอนที่ดีคนกระด้างอวดดีจะไม่ได้รับโอกาสเช่นนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะอย่างรากลึกลงไปในอุปนิสัยสันดานของเขา เป็นเสมือนรากแก้วของต้นไม้เมื่อรากแก้วยางลงดินลึกแล้วรากเล็กรากน้อยก็จะแผ่ออกยึดดินรอบๆ บ, บริเวณนั้นลำต้นก็เจริญเติบโตขึ้นแผ่กิ่งก้านออกไปไพศารมีดอกมีผลเป็นร่มเงาเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์พืชทั้งหลายความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นรากแก้วแห่งคุณธรรมของมนุษย์ เมื่อมีคุณธรรมข้อนี้แล้วข้ออื่นๆก็ย่อมจะเกิดตามขึ้นมาคุณพ่อได้ย้อนกลับมาพูดเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตัวให้วรัญญาฟังอีกเป็นเวลานานและพูดต่อไปรู้สึกท่านจะมีความสุขเมื่อได้พูดเรื่องนี้เตือนให้วรัญญาเจียมกายเจียมวาจาและเจียมใจในการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นคําพูดเพียงคำสองคา อาจส่อให้เห็นอุปนิสัยอันดีหรือเร็วของผู้พูดทำนองเดียวกับสายบัวเป็นเครื่องวัดน้าต้นหญ้าเหี่ยวหรือสดชื่นเป็นเครื่องวัดแผ่นดินกริยาวาจาเป็นเครื่องวัดคุณธรรมและปัญญาเพราะฉะนั้นควรเป็นผู้ฝึกฝนตนให้เป็นคนมีกริยาอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานและจิตใจอ่อนโยนอยู่เสมอประเมินค่าของตนตามที่เป็นจริง ให้น้อยไว้หน่อยยิ่งดีไม่อวดยศศักดิ์หรือความสามารถให้เกินตัวแม้จะอยู่ในหมู่คนที่เต็มไปได้วยความเย่อหยิ่งทนงตนก้อยเข้าทะเลาะกันไปเราอย่าเป็นไปอย่างนั้นเช่ด้วยตัวอย่างที่ดีของเราอาจช่วยผ่อนคลายคนที่เย่อหยิ่งทนงตนให้ลดความเป็นเช่นด้านลงได้บ้างหลักข้อที่สองเพื่อความสงบสุขแห่งชีวิต การรู้จักตัดตอนมนุษย์เราผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ย่อมทำดีบ้างชั่วบ้างตามอำนาจของคุณธรรมและกิเลสที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวคนที่ได้รับยกย่องว่าเป็นคนดีก็ต้องเคยทำความชั่วหรืออย่างน้อยก็มีอยู่ในใจคนที่ใครๆพากันเห็นว่าเป็นคนชั่วก็คงเคยทำความดีมาบ้างภายหน้าอาจเป็นคนดีมากๆก็ได้ ผู้มีปัญญาจึงไม่ควรด่วนตัดสินคนด้วยเห็นการกระทําเพียงครั้งเดียวสองครั้งของเขาและตัดสินว่าเขาจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดชีวิตบัณฑิตต้องรู้จักตัดตอนคนที่เคยชั่วเมื่อเขาสำนึกชั่วแล้วมิใช่ว่าจะกลับเป็นคนดีไม่ได้ควรให้โอกาสแก่เขาเพื่อเขาจะได้กลับตัวเป็นคนดีตระหนักอยู่เสมอว่าตอนนั้นกับตอนนี้อาจไม่เหมือนกัน มนุษย์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามสิ่งแวดล้อมและคุณธรรมในใจไม่พึงด่วนแตกจากมิตรไม่พึงผูกเวรกับใครๆเรื่องประกอบเสียงคอนเสียงฉแฉลงดังเป็นจังหวะจังหวะจากเชิงผาภูเขาลูกนั้นสูงชันประชาชนผู้จําเป็นในการสัญจรผ่านภูเขานั้นจะต้องปีนป่ายขึ้นไปและลงอีกด้านหนึ่งดูนั่นสิ หนุ่มใหญ่หวัยกลางคนท่าทางบึกบืนแข็งแรงสูงใหญ่สมเป็นซามูไรในอดีตเขาใช้ค้อนทุบหินใช้ชแรลงเจาะทุรวงภูเขาลูกนั้นเพื่อให้เป็นทางสัญจรของมหาชนเหงื่อโทมกายแต่ดวงหน้าและแววตาแสดงถึงความสุขและความหวังอันสดใสหวังถึงความสำเร็จแห่งงานที่เขาตั้งใจทำด้วยเชื่อมั่นว่า ความยากย่อมเอาชนะได้ด้วยความเพียรอันเป็นไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอเขาทำงานเจาะภูเขาเฉพาะกลางคืนกลางวันหาเลี้ยงชีพเขาเจาะภูเขาเป็นอุมโมงค์กว้างหกวาสูงห้าวาใช้เวลาเจาะนานถึงสามปีได้เส้นทางลึกห้าร้อเจ็ดสิบวาแต่ช่องทางยังเหลืออยู่อีกจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองปี จึงจะทะลุเขาใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้เขานั่งพักเหนื่อยยกมือขึ้นปาดเหงื่อที่หน้าผากบาัดนี้อายุของเขาย่างเข้าสู่วัยชราแล้วขณะนี้ดวงจิตของเขาย้อนคำหนึงถึงอดีตสมัยเมื่อยังหนุ่มเขาเกิดในตระกูลซามูไรเมื่อได้ศึกษาวิชาการและจริยธรรมของซามูไรจบแล้วไปทํางานเป็นเจ้าหน้าที่อารักขาคุณนางผู้หนึ่ง เขารูปงามสุภาพอ่อนโยนแต่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอย่างชายชาตรีจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของพัญญาขุนนางเธอทอดสะพานให้ความงามความอ่อนหวานและความมีน้ำใจเกื้อกูลของนาได้ผูกมัดใจของซามูไรหนุ่มอย่างเหนียวแน่นทั้งสองลืมตัวลืมหน้าที่รอบรักได้เสียกันน้ำพึ่งแห่งความรักยังไม่ทันจืดจาง คุณนางผู้เป็นสามีจับได้ซามูไรหนุ่มจึงใช้ดาบซามูไรฆ่าคุณนางผู้นั้นเสียแล้วพาพันยาของเขาหนีไปเรื่องของโลกมักเป็นอย่างนี้คนทำผิดครั้งที่หนึ่งถ้าไม่รีบกลับตัวเสียก็มักทำผิดครั้งที่สองเพื่อกลบเกลื่อนความผิดครั้งที่หนึ่งและทำผิดครั้งที่สามเพื่อกลบเกลื่อนความผิดครั้งที่สองและต่อต่อไปไม่ค่อยจะสิ้นสุดลงได้ง่าย เมื่อน้ำพึ่งแห่งความรักเริ่มจางลงทั้งสองต่างมองเห็นความผิดของตนอย่างชัดเจนเป็นเหตุให้แนหน่งนายจึงตัดสินใจแยกทางกันซามูไรต้องอยู่อย่างเดียวดายมโนธรรมและจริยธรรมของซามูไรเริ่มสาสตร์ส่องดวงใจให้สว่างด้วยเหตุผลซามูไรํำนึกบาปของตนรำพึงว่าทำอย่างไรหนอจึงจะลบล้างบาปอันนี้เสียได้ วันหนึ่งผ่านมาที่ภูเขาลูกนี้เห็นคนสัญจรจำเป็นต้องปีนป่ายเพื่อข้ามภูเขาอันสูงชันต้องเสี่ยงอันตรายเขาจึงตกลงใจเจาะภูเขาเพื่อเป็นทางสัญจรเขาทำได้ความเหนื่อยยากทำเพียงผู้เดียวแต่ดวงใจเต็มไปได้วยความอิ่มเอิบและเป็นสุขบุตรของคุณนางซึ่งถูกเข้าฆ่าบาดนี้เป็นหนุ่มใหญ่และเป็นซามูไรด้วย เที่ยวตามหาเขาเพื่อแก้แค้นให้บีดามาพบเขาที่นี่จึงเริ่มจะทำการแก้แค้นซามูไรชราขอร้องวินวอนว่าอย่าทำลายทางแห่งบุญโดยเอาชีวิตเขาในตอนนี้เลยขอเวลาอีกสองปีเมื่อจอบภูเขาเสร็จแล้วก็จะขอชดใช้ด้วยชีวิตซามูไรหนุ่มเห็นว่าคาขอร้องของเซนไกซามูไรมีเหตุผลและเห็นว่าไม่มีทางหนีรอดไปได้ จึงตกลงรอคอยขณะที่รอคอยนั้นเข้าดูการทํางานเจาะภูเขาของซามูไรชราด้วยความเห็นใจและเพื่อให้งานแก้แค้นสําเร็จรุ่ร่วงไปโดยเร็วซามูไรหนุ่มจึงช่วยเซนไกเจาะภูเขาด้วยงานเจาะภูเขาสําเร็จเรียบร้อยก่อนเวลาสองปีที่กําหนดไว้เดิมต่อไปเหลือแต่งานแก้แค้น เซนไกชรานั่งขัดสมาธิก้มหน้าโกงลำคอลงเพื่อให้ซามูไรหนุ่มจ่วงฟันได้โดยสะดวกแต่แล้วโดยไม่คาดฝันซามูไรหนุ่มกลับใส่ดาบเข้าฝักแล้ววางไว้บนก้อนหินก้อนหนึ่งสุดตัวคุกเข่าลงเบื้องหน้าของเซนไกพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าจะฆ่าครูข้าพเจ้าได้อย่างไรนี่คือช่วงเวลาสองปีที่มานั่งดู และช่วยซามูไรชราเจาะภูเขาอันเป็นทางแห่งบุญนั้นได้สอนให้ซามูไรหนุ่มได้บทเรียนแห่งการใช้ชีวิตที่ดีกว่าเขาได้พบแสงสว่างในทางบุญไฟพยาบาทที่คู่กรุ่นมาเป็นเวลานา น, านดับมอดลงใจของเขาสว่างให้อภัยและรู้จักตัดตอนบัณฑิตต้องรู้จักตัดตอนคนที่เคยชั่วเมื่อเขาสำนึกชั่วแล้ว มิใช่ว่าจะกลับมาเป็นคนดีไม่ได้ควรให้โอกาสแก่คนที่เขากลับตัวเป็นคนดีไม่พึงด่วนแตกจากมิตรไม่พึงเห็นแก่การยาวคือผูกเวรไว้ให้นานไม่พึงเห็นแก่การสั้นคือด่วนแตกจากมิตรเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรในอดี ต, ตการทีคาวุกุมาร พระราชโอรสของพระเจ้าทีคีติโกศลโกรธแค้นพระเจ้าพรหมทัตผู้ซึ่งได้ยกทัพไปปล้นสมบัติของพระเจ้าโกศสนพระเจ้าโกอสนพร้อมด้วยพระมเหสีสเสด็จหนีไปประทับอยู่ในป่าในที่สุดก็ถูกจับได้พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ปลงพระชนเสียทั้งสองพระองค์ตอนนั้นทีคาวุกุมารเป็นหนุ่มแล้วเดินทางกลับจากการศึกษาที่เมืองตักศิลา ไม่เห็นเหตุการณ์ที่พระชนกชนนีกำลังจะถูกประหารชีวิตไม่ทราบจะช่วยประการใดพระตัวคนเดียวหากแสดงตนว่าเป็นใครก็คงจะถูกประหารอีกคนหนึ่งในระหว่างที่กำลังจะถูกประหารนั้นพระเจ้าทีคิติโกศลเหลียวมาเห็นทีคาวุกุมานพระราชโสของพระองค์เกรงว่าพระราชโสจะทำอะไรไม่เหมาะสมจึงทรงเตือนด้วยพระโอวาทว่า ลูกเอ๋ยอย่าเห็นใจ ก, การยาวอย่าเห็นใจ ก, การสั้นเวีย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนีนแต่เวียนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนีนพระเจ้าโกศลตรัสพระโอวาสนี้ถึงสามครั้งพวกเพชฌฆาตและประชาชนเข้าใจว่าทรงเพอเพราะไม่อาจครองพระสติได้ทีคาวุต้องการแก้แค้นแทนพระชนกชนนี จงหาอุบายเข้าไปอยู่ในวังของพระเจ้าพรหมทัตรับใช้ใกล้ชิดหาโอกาสอยู่เสมอที่จะปรงพระชนพระราชาเสียวันหนึ่งเสด็จประพาสป่าให้ทีคาวุขับรถพระที่นั่งทีคาวุขับรถเร็วจนขบวนเสด็จตามไม่ทันเข้าไปในป่าลึกมีแต่พระเจ้าพรหมทัตซึ่งทรงพระชราแล้วกับทีคาวุหนุ่มทรงเหน็ดเหนื่อย บันทมบนตักของทีคาวุใต้ต้นไม้วางพระแสงดาบไว้ใกล้พระองค์ทีคาวุนั้นหาโอกาสปลงพระชนพระเจ้าพรหมทัตมานานแล้วเขาคิดว่าบัดนี้โอกาสมาถึงแล้วจึงดึงพระแสงดาบขึ้นเพื่อปลงพระชนพระราชาแต่ขณะนั้นเองเสียงเตือนเหมือนแววมาจากอากาศว่าลูกเอ๋ยอย่าเห็นแก่การยาวอย่าเห็นแก่การสั้น ทีคาวุทำอยู่เช่นนี้ถึงสองครั้งเขาชะ ง, งักมือเสียทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงนี้หรือรึกได้ถึงพระโอวาสนี้พอครั้งที่สามพระเจ้าโพรมทัศทรงตื่นบรรทมพระทรงสุบินนิมิตว่าทรงอยู่ในมือศัตรูเมื่อลืมพระเนตรเห็นทีคาวุจับพระแสงดาบจะปลงพระชนพระองค์อยู่สะดุ้งพระไทยสเสด็จลุกขึ้นตรัสถามเรื่องราวต่างๆ ทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงขออภัยในความผิดพลาดของพระองค์และทรงเตือนสติทีคาวุว่าถ้าปลงพระชนพระองค์แล้วเขาจะรอดไปได้หรือทระนนกชนนีจะฟื้นขึ้นได้หรือเป็นต้นทีคาวุนั้นพระโอวาทแห่งพระบิดาเตือนสติอยู่แล้วจึงยอมไว้ชีวิตพระเจ้าพรหมทัตเมื่อเสด็จกลับแล้วพระเจ้าพรหมทัต ยังทรงมอบราชสมบัติแห่งแคว้นโกสนคืนให้แก่ทีคาวุแล้วให้อภิเศกกับพระรา ช, ชุกุมารีผู้เป็นพระราชนิพนธาของพระองค์เมื่อพระเจ้าพรหมทัตสิ้นพระชนแล้วทีคาวุกุมารก็ได้ครองทั้งสองแคว้นคือทั้งโกสนและกาสีนี่คือคุณของการรู้จักตัดตอนหลักข้อที่สกล้าต่อสู้ความทุกข์ยาก ความทุกยากลําบากเป็นฤดูการของชีวิตเหมือนต้นไม้ซึ่งจะต้องผ่านฤดูการทั้งสามจึงจะเจริญงอกงามได้ความทุกยากลําบากทําให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจเพื่อนและญาติพัญญาหรือสามีดีขึ้นผู้มีจิตใจเข้มแข็งเมื่อมีความทุกย่อมเข้มแข็งมากขึ้นและตั้งหน้าทําความดีมากขึ้นเพื่อเอาชนะความทุกยากลาบากนั้น โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. ไฟนั้นทำลายไม้และสิ่งอื่นๆเป็นอันมากแต่ทําให้เหล็กแข็งขึ้นเหล็กที่ผ่านไฟแล้วเป็นเหล็กกล้าฉันใดความทุกข์ยากลําบากได้ทําลายคนธรรมดาให้สิ้นหวังเสียคนไปมากแล้วแต่สําหรับบุรุษเหล็กคือคนเข้มแข็งความทุกข์ยากลําบากทําให้เขาเข้มแข็งยิ่งขึ้นฉันนั้นสอง ตักน้ำใส่ตุ่มเพียงขันสองขันมองไม่ค่อยเห็นน้ำเลยแต่เมื่อตักบ่อยๆเข้าเป็นร้อยๆขันน้ำย่อมเต็มตุ่มฉันใดทำความดีเพียงเล็กน้อยจะไม่ค่อยปรากฏแต่พอทำมากเข้าความดีย่อมปรากฏและเป็นผู้เต็มเปลี่ยมไปด้วยความดีฉันนั้นในการนี้จะต้องมีความอดทนและความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมออย่าท้อถอยง่าย 3. ผลงานเป็นค่าอันแท้จริงของคนถ้าเขาทำงานยิ่งใหญ่ได้แสดงว่าเขามีความยิ่งใหญ่อยู่ภายในและสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงความยิ่งใหญ่ทางอำนาจราชศักแต่หมายถึงความยิ่งใหญ่ทางการงานในหน้าที่ของเขาเขาอาจเป็นเหมือนน็อตตัวหนึ่งของเรือเดินทะเลแต่เป็นน็อตที่มีคุณภาพปราศจากปัญหา เรือลํานั้นจะไม่จมเพราะน็อตตัวนี้เขาจะเป็นคนใหญ่หรือคนเล็กของสมาชิกของทีมงานในองค์การของเขาก็ตามแต่เขาจะเป็นได้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดเขาอาจเป็นเหมือนกระเบื้องแผ่นหนึ่งที่มุงหลังคาอยู่แต่เป็นกระเบื้องที่ไม่แตกไม่ร้าวไม่ทะลุหลังคาจะไม่รั่วเพราะกระเบื้องแผ่นนั้น สมาชิกของทีมงานในองค์การต่างๆก็เหมือนกันถ้าแต่ละคนทำตนให้มีคุณภาพสมกับตำแหน่งฐานะของตนแล้วองค์การนั้นจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด 4. แม้สถานการณ์จะสอบไปในทางที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะสิ้นหวังแต่เราก็ต้องไม่หมดหวังเสดยง่ายคิดไว้เสมอว่า เมื่อเรายังมีความหวังและความเพียรอย่างสม่ำเสมอก็ต้องย่อมพบช่องทางตรงกันข้ามแม้เราจะหวังมากเพียงไรก็ต้องเตรียมตัวสำหรับความผิดหวังไว้บ้างเป็นการไม่ประมาททุกมีทางแก้ก็คงมีเหมือนกันบุคคลผู้กล้าแท้จริงซึ่งได้ชื่อว่าวีโรนั้นย่อมเป็นผู้กล้าทั้งในสองสถาน คือเมื่อมรณะคุกคามย่อมไม่สะทกสะทานเมื่อทุกครอบงำย่อมอาจเพื่อทนทานไว้อยู่จากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิริยานวโรรสเมื่อประสบความทุกข์ยากลำบากขอให้มีความอดกลั้นทนทานและรักษาความสงบใจไว้ก่อนลิ้นยู่ถังนักปราจีนได้กล่าวไว้ว่า ความสงบที่แท้จริงของดวงจิตนั้นมาจากการยอมรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอันหนึง่งขอให้ตระหนักไว้เสมอว่าในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเลวร้ายนั้นยังมีสิ่งที่เลวร้ายกว่านี้อีกแต่เรายังไม่ได้พบในสิ่งที่เรารู้สึกว่าดีแล้วยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกแต่เรายังไม่ได้พบเช่นเดียวกันความตระหนักเช่นนี้ ทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับความทุกข์และสแสวงหาสิ่งที่คิดว่าดีกว่าไม่ติดตันอยู่ในคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยเราไม่ต้องไปหาจิตแพทย์ก็ได้ถ้าเรามีจิตแพทย์ที่ประเสริฐอยู่กับตัวนั่นคืออาหารที่มีประโยชน์ไม่ใช่ราคาแพงความสงบเงียบและการยิ้มแย้มร่าเริงพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับทุกอย่าง อันที่จริงชีวิตของคนเรานั้นถ้ามีข้าวปลาพอกินมีน้าจืดพอดื่มมีปัจจัยสี่พอสมควรแก่ความต้องการอันจำเป็นแล้วก็ไม่ควรทุกร้อนเรื่องใดๆอีกถ้ามีโรคก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ปล่อยไปช่างมันหหัดให้รางวัลแก่ตนเองเสียบ้างอย่าหวังรางวัลจากผู้อื่น หัดชื่นชมตนเองเสบ้างไม่ใช่คอยแต่จะลงโทษตัวเองซ้ำเติมตัวเองอยู่ร่ำไปแต่ขอให้ชื่นชมอยู่เงียบๆแอบภูมิใจในตนอยู่เงียบๆ เ, เหมือนดอกไม้บานอย่าไปชื่นชมตัวเองให้คนอื่นฟังบ่อยนักเขาจะหมันไส้เบื่อหน่ายที่จะฟังหัดซื้อของขวัญให้ตัวเองเสบ้างเช่นวันเกิดของเราวันเริ่มชีวิตใหม่ของเราเป็นต้น ทางนี้เพื่อแก้ปัญหาความระทมทุกข์ความเศร้าหมองข้องใจอันเนื่องจากความคิดว่าไม่มีใครเอาใจใส่ต่อเราไม่มีใครให้ของขวัญหรือรางวาัลแกเราเป็นต้นหลักข้อที่สี่รู้จักช่วยเหลือตัวเองและพึ่งตัวเองก่อนคนเราต้องพึ่งพาอาศัยกันก็จริงแต่คนที่เราพึ่งได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า ตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้เสมอนอกจากนี้ยังตรัสต่อไปอีกว่าตนที่ฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากแสดงว่าขนทางแห่งการพึ่งตนเองก็คือการช่วยเหลือตนเองฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานขอให้ใช้เวลาบ่มความรู้ความสามารถให้สูงไว โอกาสย่อมีเสมอสำหรับผู้มีความสามารถจริงแต่อย่าทนงตนว่าเราไม่ต้องง้อใครการพึ่งตนเองได้นั้นเป็นความภาคภูมิใจและเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์การทำงานเป็นวิธีการอันสาคัญอย่างหนึ่งในการพึ่งตนเองอย่าหวังความช่วยเหลือจากภายนอกให้มากนักพยายามช่วยเหลือตนเองจนสุดความสามารถ สำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมนั้นขอให้ถือเอาการงานและหน้าที่ของตนนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมคือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดไม่ต้องเสียใจว่าเราไม่มีเวลาสำหรับการปฏิบัติธรรมแต่ทั้งนี้ต้องหมายถึงหน้าที่อันชอบธรรมสุจริตและเป็นประโยชน์เพื่อกูลกันทั้งแก่ตนและผู้อื่น